คนประเวารน า, าคือคนที่มอบตัวให้ใช้หรือยอมให้ขอปัจจัยสี่บางอย่างหรือทุกอย่างคนสอดแนมคือคนรอบเข้าสืบความลับหรือเหตุลับครู ก, กาบัคือโทษทางพระวินัยอย่างหนักคฤูาหาบดีคือพ่อเจ้าเรือนผู้ครองเรือน ผู้ไม่ใช่นักบวชคำภีขันธกะตำราพระวินยัยในวินัยปิดกนอกพระปาติโมกที่เรียกว่าอภิสมาจาริกาสิกขาจัดเป็นหมวดหมวดทั้งในมหาวัคและจุลวัคคำภีจุลวัคตำราพระวินยัย ในวินัยปิดกนอกพระปาติโมกหมวดที่ว่าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆคำภีวิพังตำราพระวินัยในวินัยปิดกว่าด้วยสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกของภิกษุและภิกษุณีคำพีวิสุทธิมัก ต, ตำราปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมัก เพราะท่านแต่งอธิบายธรรมอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญาโดยละเอียดและเหมาะแก่การปฏิบัติ